พุทธอุทานคาถาที่หนึ่งเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุข้อ2ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนาสิการปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดมัดชิมยามแห่งราตรีว่า